ห้าผู้ดีนพระพุทธภาสิทธะนาวากรณะมัตเตนะวันนะโปขระตายวาสาธุรูปโอนโรโหติอิตสุกีมัชรีสะโถยัสสะเจตังสมุตชินนังมูละคัดฉังสมูหตังสะวันตะ โทโสเมธาวีสาธุรูปติวุจจติแปลว่าบุคคลผู้มีความริษยาตรณีโอ้วดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หาไม่ได้ส่วนผู้ใดตัดโทสะชาติมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดแล้วถอนขึ้นให้รากขาดแล้วผู้นั้นมีโทสะอันคายได้แล้วมีปัญญาเราเรียกว่า อธิบายความว่าคนที่พูดมากปากกล้าหรือมีผิวกายอันงามแต่ยังมีความทิสยามากตรหนีมากขี้อวดมากพระพุทธองค์ไม่ทรงเรียกว่าเป็นคนดีคนดีในความหมายของทางโลกอาจจะมีองค์ประกอบคือรูปลักษณะการพูดจาเก่งหรือมีทรัพย์มียศสูงมีตำแหน่งการงานใหญ่โต แต่ตามความหมายในทางธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคนดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งความดีวงเล็บทํานองเดียวกับคนกล้าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งผู้กล้าคือไม่มีความริษยาไม่ตระหนีไม่มักอวดไม่ตกอยู่ในอํานาจแห่งโทสะอันไร้เหตุผลมีปัญญาดีอย่างนี้แหละคือคนดีตามทัศนะของพระพุทธเจ้า ความริษยานั้นคืออาการที่เห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้พยายามหาทางกำจัดเขาไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนี่เป็นกิเลสอันหยาบส่วนคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสนั้นคือมุติตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีความตรนีคืออาการหวงทรัพย์หวงตำแหน่งหวงเกียรติหวงสกสาระหวงที่อยู่อาศัยโดยไร้เหตุผล อยากจะหวงก็หวงไปอย่างนั้นเองนี่เป็นกิเลสส่วนคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คืออัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยความเสียสละหรือจาคะเจตนาอันจัดเป็นองค์หนึ่งของฐานความโอ้อวดคือการอวดดีเมื่อยังไม่มีดีอวดเด่นเมื่อไม่มีความเด่นวงเล็บหรือแม้จะมีจริงก็ไม่ควรอวด โดยปกติคนถ้ามีอะไรมากๆ ก, ก็มักไม่ค่อยอวดหรือพยายามปิดบังเสียอีกส่วนคนชอบอวดนั้นคือคนมีน้อยหรือไม่มีเลยเข้าทำนองจนอวดรวยขี้เหล อ, อวดสวยหรืออวดเก่งเป็นสมบัติของคนขาดอวดฉลาดเป็นคุณสมบัติของคนโง่อวดโก้เป็นสมบัติของคนจนเป็นต้นจริงแท้ ทีเดียวความเก่งความฉลาดและความมั่งมีนั้นถ้ามีอยู่ในคนใดแม้ไม่ต้องอวดคนทั้งหลายก็ต้องรู้แม้ว่าจะเก่งจริงฉลาดจริงและมั่งมีจริงถ้าเอาออกมาอวดบ่อยๆคนทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญเขาจะยิ้มเยาะมากกว่ายกย่องเป็นแน่นอนยิ่งคนไม่มีจริงด้วยแล้วก็จะถูกเกลียดชังเอาทีเดียวคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับความโอ้อวดก็คือ ความถ่อมตนวงเล็บนิวาตะคนยิ่งถ่อมตนมากเท่าใดก็ยิ่งน่ารักน่านับถือและเป็นมงคลแก่ตนมากเท่านั้นคนถ่อมตนย่อมไม่เป็นนักติอย่างเดียวคนโอ้วดมักมีลักษณะเป็นนักติตามมาด้วย เมื่อเห็นใครทำอะไรก็ติตะบันไปราวกับว่าไม่มีใครจะสู้เขาได้ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่เป็นหรือทำอย่างเขาไม่ได้โทสะคืออาการประทุสร้ายเขาด้วยกิริยาคือด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นทาความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นคุ ณ, ณธรรมอันตรงกันข้ามคือความเมตตาปราณีหวงเล็บหวังดีและอยากให้เขาพ้นทุกข์ ดวงจิตของผู้มีคุณธรรมอันนี้เป็นดวงจิตที่เย็นตรงข้ามกับดวงจิตที่มีโทสะร้อนบุคคลผู้มีโทสะอันคายออกได้แล้วย่อมเป็นผู้มีพิษร้อนในตนอันคายออกได้แล้วมีแต่ความสงบเย็นแผ่ซืมทราบอยู่ทั่วไปทั้งกายวาจาและใจผู้เช่นนี้ย่อมมีผลตามมาอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีปัญญาดีรู้ผิด ชอบชั่วดีปราชจากความมืดคือโมหะจึงสามารถดำเนินชีวิตไปตามลำแสงแห่งปัญญาได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้เป็นคนดีในทัศนะของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวบถีทรงปราบรพิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้ สมัยหนึ่งพระเทระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรรับใช้อาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ตนมีการย้อมจีวรเป็นต้นจึงคิดว่าเราเป็นผู้ฉลาดในคำสอนและพยัญชนะเหมือนกันแต่ผลอะไรๆ ไ, ไม่บังเกิดขึ้นแก่เราเลยวงเล็บคือไม่มีใครรับใช้ยกย่องเราควรเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอร้องว่าเมื่อภิกษุเรียนธรรมในสำนักของภิกษุอื่นแล้ว ถ้ายังไม่ได้สอบทานในสำนักของเราก็อย่าให้สาธยายด้วยวิธีนี้ลาบสการะและความนับถือก็จะเกิดขึ้นแก่เราพระเถระพวกนั้นเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาทูลขอร้องอย่างที่ตนคิดไว้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าการพูดเช่นนี้ภิกษุอาจพูดได้ตามประเพณีในศาสนาก็จริงแต่ภิกษุพวกนี้มุ่งลาบสการะและความนับถือจึงเสนอเรื่องนี้ ดังนี้แล้วตรัดเตือนว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าเป็นคนดีเพราะเหตุที่พูดจัดจ้านส่วนผู้ใดตัดกิเลสมีความริษยาเป็นต้นได้แล้วด้วยอรหัตตมรรคเราเรียกคนอย่างนี้แหละว่าเป็นคนดีดังนี้แล้วตัดพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าบุคคลผู้มีความริษยาตนีและโอ้วดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจะจัดจ้าน หรือมีผิวกายงามก็หาไม่ได้เป็นอาธิดังพรรณนามาแล้วแต่ตนนี่ก็คงเป็นข้อคิดอีกลักษณะหนึ่งเ่ก็ดีนะท่านก็อธิบายให้มากแล้วนก็ฟังก็ไปทบทวนเราก็แล้วกันเป็นคติเตือนใจหกจะเป็นสมณะอย่างไรได้ พระพุทธภาษิตณมุนทะเกณะสมโนอภโตอริกังพนังอิชาโลภะสมาปันโนสมโนกิ่งพวิสติโยจะสเมติปาปานิอานุงถูลานังสัพพโสสมิตตตาหิปาปานังสมโนติปะวุจจะติแปลว่าผู้ไม่มีวัตพูดเหล่แหล ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะศีสโลนผู้ประกอบด้วยความอยากคืออิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบได้โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วอธิบายความว่าความ สีสะโลนเพราะโกนผมและการมีเครื่องปกปิดร่างกายพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนั้นเป็นเครื่องหมายของนักบวชตัวอย่างเช่นพระในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยโกนผมหนวดเคราและคิว้วนุ่งห่มสีเหลืองมนพระลังกาและพระมาไม่โกนคิว้วเพราะถือว่าในพระบาลีมิได้บอกให้โกนคิ้วด้วยในพระคาถานี้ตัดว่า คนที่ไม่มีวัดวงเล็บวัดคือข้อปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมพูดพร่อยจะเป็นสมณะหาได้ไม่แม้ศีรษะจะโรนเพราะโกนผมก็ตามอันหนึ่งคนที่ยังมีความอยากและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรอัตถกถาอธิบายว่าความอยากนั้นหมายถึงอยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้ ส่วนความโลภนั้นคือจิตใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในสิ่งที่ได้แล้วคือลหลงไหลในสิ่งนั้นไม่มีนิสรณะปัญญาในการบริโภคใช้สอยความเห็นของข้าพเจ้าว่าความอยากนั้นคือความปรารถนาในปัจจัยสี่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีความหิวความต้องการอยู่เรื่อยไม่รู้จักพอส่วนความโลภนั้นคือความทยานอยากไม่เลือกว่าสุจริตหรือทุจริต กระหายจนทนไม่ไหวแม้ได้โดยทุจริตก็เอาเป็นพระก็เรียกว่าประกอบอเนสนากรรมคือการแสวงหาที่ไม่สมควรแก่ตนส่วนผู้ใดสงบปากเสียได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดผู้เช่นนั้นแหละพระองค์เรียกว่าเป็นสมณะแท้จริงอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าไม่รู้จะถูกหรือผิดสงบปากเสียได้หรือสงบบาปเสียได้ก็ แต่ทางเขียนเป็นปากนะสงบปากก็อาจจะได้ความหมายทั้งส อ, งอย่างสมณะแปลว่าผู้สงบสงบอะไรตอบว่าสงบกายวาจาใจกายวาจาใจจะสงบแท้จริงก็ต่อเมื่อไม่มีบาปละบาปลอยบาปได้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเป็นบาปตรง น, นี้การได้เห็นการเข้าใกล้ได้สนทนาหรือได้ฟังธรรมของสมณะเห็นป่านนั้น เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะทำให้อยากเลิกทําความชั่วประพฤติความดีอย่างท่านบ้างอยากสงบอย่างท่านบ้างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปราบรพิกษุชื่อหัตถกะมีเรื่องย่อดังนี้ได้ยินว่าพระหัตถกะนั้นเที่ยวพูดฟุ้งกับภิกษุสามเณรและกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงไปที่โน้นเวลาโน้น เราจะโต้วาทีตีวทฏกับคนโน้นแล้วรีบไปในที่นั้นเมื่อไม่มีใครมาโต้วาทีตีวาทะด้วยก็กล่าวอวดว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรธีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละคือความแพ้ของพวกเดรธีดังนี้พระหัตถะเที่ยวพูดฟุ้งไปกล่าวอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างตามเรื่องที่อยากจะกล่าว พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วรับสั่งให้พระหัตถะเข้าเฝ้าตัดถามเมื่อพระหัตถะรับเป็นสัตว์แล้วจึงตรัสว่าชะไหนเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะผู้พูดมุสาจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุสีสะโลนหาไม่ได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบแล้วผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นสมณะดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้ว อันนี้ก็เกี่ยวกับพระโดยตรงบุตรีเป็นสมณะท่านจึงให้มีสมณะสัญญาเนะเพื่อความเตือนใจความผิดความบกพร่องดยการเพอสติเป็นธรรมดาของปุถุชนแต่การจำรวมระวังเป็นการสร้างสมณะให้เกิดขึ้นในใจอยู่เสมอนั้นเป็นลักษณะ ของผู้ที่มีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตนโดยอาศัยภาคการสวัสดเป็นเครื่องเตือนใจนี่อันนี้มันก็ดีอย่างนะอย่างญาติโยมก็ถ้าได้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ได้สติขึ้นมาเยอะเหมือนกั น, นถ้านุ่งอย่างชาวบ้านก็ไปหมดเลยไปเป็นโลกหมดเหมือนกันนี่พระได้ภาคการสวัสดนี่ ถ้าไม่ลืมสัมเนธสัญญาว่าเราหอมผ้ากาสาวพัดเนี่ยก็ทําให้เกิดสติแต่ถ้าลืมถ้าลืมผ้ากาสาวพัดแล้วก็ทําให้เผลอสติเนี่ยบางทีจิตใจมันไปถึงไหนก็ไม่รู้ น, นั่งอยู่วัดแต่มันอยู่นอกวัดก็มีเนี่ยหลวงพ่อชาว่านั่งอยู่ในกุฏิแต่มันกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลาดก็มีท่านบอกเลยนั่นคือการไม่ได้สํารวมใจเนี่ย มันก็เลยเผอเผอตามวิสัยของปุถุชนนั่นแหละเนี่ยแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะดังที่เราได้สวดบรรพชิตพึงพิจารณา10ข้อในข้อแรกเลยเป็นข้อเตือนใจว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนึ่งเนืองว่าเรามีเพศต่างจากฤรษีหัดแล้วอาการกิริยา ใ, ใดๆของสมณนะ เราก็ควรจะต้องกระทําให้แตกต่างจากค้รืหัสเนี่ยพราะมันต่างจากค้รืหัสแล้วเนี่ย น, นี่ใน10ข้อนั่แหละถ้าเราทบทวนเราได้สวดกันบ่อยๆเนี่ยอย่างข้อที่2ก็ว่าการเลี้ยงชีวิตของเราอาศัยผู้อื่นเลี้ยงนะเราต้องปรับตัวให้เป็นคนเลี้ยงง่ายเนี่ยเตือนตนเองเสมอว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติ มีอยู่นะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเออเราได้บวชแล้วนะได้นุ่งหม่มผ้ากาศพัดแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วเลยไม่ทําอะไรไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเนะี่ย น, นี้ก็ไม่ได้ในข้อที่สามนี่ยงให้เตือนนะว่ากิจที่เราจะต้องทําอย่างอื่นมีอยู่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นี่นี่แล้วว่านึกถึงศีลอยู่เสมอนี่ว่าว่าโดยศีลนี่ย เรายัางมองเห็นความผิดพลาดของเราไหมตีเตียนเราได้ไหมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ผิดพลาดมีเมื่อเพลิดสติแต่งให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆมันจะได้สํารวจในเรื่องศีลมากขึ้นหรือถ้ายัางมองไม่เห็นก็คิดไปอีกว่าเออเพื่อนสัพรมมจารีหรือเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาจะมองเราลักษณะในนอกขาตาหนินเราด้วยศีลไหมเนาะเนี่ยก็จะทําให้เรามองเห็นข้อปฏิบัติของเราละเอียดขึ้นอีกเนี่ย โดยอาศัยพิจารณาว่าเออเผื่อว่าคนอื่นเขามองเราด้วยกิริยาด้วยวาจานะด้วยมารยาทเนี่ยนั่นก็เป็นการสํารวจตรวจดูตนเองเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงธรรมในการปฏิบัตินี่พิจารณาถึงว่าเออเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจนะเนี่ยมีอะไรก็ต้องพัดพลากอันนี้พิจารณาเข้าไปหาธรรมะเนี่ย แล้วก็ตอไปก็พิจารณาถึงกรรมเรามีกรรมเป็นของตนนะเนี่ยเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเรามีทำอะไรไว้ชั่วก็ตามดีก็ตามเรายอมได้รับผลกรรมนั้นนอันนี้พระก็ต้องมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนี่ยประการต่อไปก็บอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยชีวิตของเราที่ผ่านไปได้ทำอะไรบ้างเนี่ยหรือวันคืนผ่านไปก็ไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่าชีวิตของเรามันไม่มากนะเนี่ยวันคืนมันกินไปทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วเราได้ทำอะไรหรื อ, อยังเนี่ยถ้าเนื่ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยพิจารณาว่าเราย่อมยินดีในที่สงัดหรือไม่เนี่ยเราย่อมยินดีในโรงเรือนอันสงัดหรือไม่นั้นต้องการให้เรานึกถึงวิเวก คือวิเวกทั้ง3านั่นแหละกายวิเวกจิตตะวิเวกกุปติวิเวกเนี่ยก็เอาไปศึกษาเอาประการสุดท้ายก็ว่าคุณวิเศษของเรามีแล้วหรือยังเนี่ยที่เราจะไม่เก้อเขินเนีเวลาเพื่อนสัพพรมัจารีหรือเพื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเมื่อถามเราจะไม่เก้อเขินในภายหลังอันนี้เป็นข้อเตือนใจสําหรับภิกษุ10ข้อนะอันนี้ก็พูดในฝันเข้าคราวแล้วไปตบทวนดู เจ็ดผู้ได้นามว่าเป็นภิกษุอันนี้ก็เป็นเรื่องภิกษุหลนดวนเนี่ยนะเตนะภิกขุโสโหติยาวตาภิกขเตปรเรวิสังธรร ม, มังสมาธายะาภิกโกโหตินาตาวตาโยทะปุญญาจะปาปัญจะพาเหตวาพรหมจริยาวาสังขายะโลเกจรติ สเวพิกขุติวุจติแปลว่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุที่ขอคนอื่นก็หาไม่ได้เขาสมทานทมอันเป็นพิษคือทำชั่วไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปไปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาวงเล็บด้วยฌานเที่ยวไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าเป็นภิกษุ อธิบายว่าคําว่าภิกษุแปลได้หลายอย่างแปลว่าผู้ขอบ้างแปลว่าผู้ทุพหรือทําลายกิเลสบ้างแปลว่าผู้เห็นภัยวงเล็บในวัตตะสงสารบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงขอเขากินหามิได้ควรจะเป็นภิกษุให้สมนามต้องมันทุบทําลายกิเลสมันทําใจให้เห็นภัยในวัตตะ คำว่าสมาทานธรรมอันเป็นพิษนั้นความว่ารับเอามาประพฤติซึ่งทุจริตมีทุจริตทางกายเป็นต้นทุจริตนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมอันเป็นพิษเพราะให้ทุกให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนคนประพฤติธรรมนั้นธรรมย่อมคุ้มครองให้อยู่เป็นสุขแต่ธรรมะจะคุ้มครองได้แค่ไหนและ ให้เป็นสุขเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตสนับสนุนหรือบีบคั้นเพียงใดด้วยมิใช่ลำพังแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวถ้ามองแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวก็ทำให้งงได้มากคนในสมัยปัจจุบันดูเหมือนจะเชื่อกรรมและผลของกรรมน้อยลงเป็นเหตุให้มีคนสมทานทาอันเป็นพิษมากขึ้น พิษนั้นได้ถูกโปรยลงทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบันสังคมจึงเป็นพิษอันเรื้อรังยากที่จะแก้ไขสงสารแต่ดวงใจน้อยของเด็กหนุ่มสาวที่เกิดมาในสังคมที่อยู่ในลักษณะเป็นพิษแล้วพอรู้ความก็ติดพิษเข้าไปพิษนั้นค่อยๆแทรกซึมแพร่กระจายไปทั่วความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์พวกเด็กวัยรุ่นจึงมีอารมณ์เป็นพิษกันมาก ผู้ใหญ่ก็ต้องวุ่นไปด้วยความจริงแล้วผู้ใหญ่เป็นฝ่ายผิดก่อนข้อนี้ถ้าผู้ใหญ่จะเถียงก็เถียงไปข้างๆ ค, คููหรือเอาข้างเข้าถูเท่านั้นเรื่องนี้พูดไปก็บานปลายจบได้ยากจึงหยุดพูดโดยไม่ต้องพูดให้จบหันมาพูดเรื่องภิกษุต่อส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาผู้นั้นแหละเป็นภิกษุ ทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าบุญก็ตามบาปก็ตามยังเป็นโลกิยธรรมเป็นสังคตธรรมเมื่อยังมีบุญมีบาปก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีสิ้นสุดท่านให้ถือเอาบุญเสมือนเรือสำหรับข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรือขึ้นไปด้วยแต่เมื่อยังไม่ถึงฝั่งก็อาศัยเรือไปก่อนส่วนบาปนั้นเหมือนปลาร้าย หรือสัตว์ร้ายที่คอยเป็นอุปสรรคมิให้เรือถึงฝั่งโดยปลอดภัยหรือทาให้เนิรนช้าคำว่าประพฤติ ธ, ธรรมหรือประพฤติพรหมจรรย์นั้นหมายถึงมีระเบียบการครองชีวิตชนิดที่ทุกเข้าไม่ถึงคือมีสัญญะและธรรมะอยู่ตลอดเวลาสัญญะนั้นโดยความได้แก่ศีลธรรมะคือการสํารวมอินทรีย์หอยู่ตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ รู้ธรรมในโลกมีขันเป็นต้นด้วยการพิจารณาหรือด้วยญาณแล้วเที่ยวไปในโลกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ปล่อยวางในโลกแล้วอย่างแท้จริงผู้ประกอบด้วยธรรมดังกล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นภิกษุเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดเชตวันทรงปราบรพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ พราหมณ์คนหนึ่งบวชในลัตินอกพระพุทธศาสนาเที่ยวพิกขาจาร์อยู่เขาคิดว่าพระสมณะโคดมเรียกสาวกของตนผู้เที่ยวพิกษาว่าพิกษุก็เราเป็นผู้เที่ยวพิกษาเหมือนกันพระสมณะโคดมควรเรียกเราว่าพิษุเช่นเดียวกันเขาคิดเช่นนี้แล้วไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าข้าแต่พระสมณโคดม ข้าพระองค์ก็เที่ยวพิกขาจารย์เลี้ยงชีพเหมือนกันพระองค์ควรเรียกข้าพระองค์ว่าภิกษุพระศาสดาตรัสว่าพรามณ์เราไม่ได้เรียกคนว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุสักว่าขออาหารเขาเลี้ยงชีพไม่เมื่อยังสมทานธรำอันเป็นพิษอยู่ก็หาชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ส่วนผู้ใดพิจารณาสังขารทั้งปวงวงเล็บโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทเที่ยวไป เราเรียกคนเช่นนั้นแหละว่าเป็นภิกษุดังนี้แล้วตัดพระธรรมเทศนาดังที่ได้ยกขึ้นพรรณนาแล้วแต่ต้นแปดผู้สมควรเป็นมุนีพระพุทธภาษิตนะโมเนนะมุนิโหติมุนหะรูปโป อ, อวิทธสุโยจะตุลัง วปักไครหะวระมาทายะปันฑิโตปาปาณิปริวัติเฉติสมุนิเตณโสมุนิโยมุนาติอุโพโลเกมุนิเตณปวุจจติแปล ว, ว่าบุคคลเขาเป็นผู้ไม่รู้อยู่โดยปกติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะความเป็นผู้นิ่งส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐ ดุดบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายได้ผู้เป็นมุนีเพราะเหตุที่เว้นบาปนั้นผู้ใดรู้อัดทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีเพราะเหตุที่รู้อัดทั้งสองนั้นอธิบายความว่ามุนีในพจนานุกรมไทยให้ความหมายว่านักปราดหรือสีพระสงฆ์บุคคลจะเป็นมุนีเพราะเหตุ ที่เพียงเป็นผู้นิ่งก็หาไม่ได้เพราะบางคนนิ่งเพราะไม่รู้บางคนนิ่งเพราะไม่กล้าบางคนนิ่งเพราะต้องการปกปิดความรู้ของตนบางคนนิ่งเพราะอมภูมิวงเล็บความจริงไม่มีภูมิแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าไม่มีภูมิเพราะฉะนั้นเพียงแต่การนิ่งหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่แต่คนที่จะเป็นมุนีต้องเป็นบัณฑิต ถือ ร, รมอันประเสริฐคือสุจริตธธ ร, รมเว้นบาปทั้งหลายเหมือนบุคคลประคองตราช่างท่านว่าคนขายของเมื่อช่างของย่อมเอาของออกบัง่งเพิ่มบัง่งเอาของที่เกิดตราช่างออกเมื่อไม่พอก็เอาเพิ่มเข้าฉันใดในชีวิตคนก็ฉันนั้นเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดีควรเอาบาปออกจากตนและทาความดีหรือนาความดีเข้าใส่ตน เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่สาคัญของมนุษย์คือการนำบาปออกจากตนและการนำความดีใส่ตนเว้นบาปบำเพ็ญบุญและทำใจให้บริสุทธิ์เป็นหลักสาคัญของพระพุทธศาสนาคำว่ารู้ทำทั้งสองคือรู้จักเว้นความชั่วทำความดีหรือรู้ขันห้าทั้งภายในและภายนอกดุดบุคคลยกตาช่างขึ้นช่างอยู่บุคคลอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมุตี นหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในโมเนยะปฏิบัติชื่อว่าเป็นมุนีมีสุภาษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งว่าสาเร็จโดยไม่ต้องพยายามเป็นทางแห่งมุนีอธิบายว่ามุนีวงเล็บในความหมายว่านักปราชย่อมทำงานเพื่อ ง, งานทำความดีเพื่อความดีทำประโยชน์แก่สังคมเพื่อบูชาธรรมวงเล็บธรรมจาคะ ส่วนผลที่ได้มาอาจเป็นความร่ำรวยชื่อเสียงราศกาละและความนับถือซึ่งชาวโลกถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จนั้นมุณีไม่ได้ต้องการมันไม่ได้พยายามเพื่อมันแต่มันสำเร็จมาเพราะมุณีได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์บรรดาภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้านั้นพานาระนาลกะได้รับยกย่องเป็นเอตทะะในทางโมเนยะปฏิบัต ปฏิบัติเป็นเยี่ยมในรูปแบบของมุนีผู้สงบไม่ติดตระกูลมีจริตอัธยาศัยอันงามรับอาหารในเรือนได้แล้วจะไม่กลับมารับอีกจนตลอดชีวิตเรียกว่าไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่กลับย้อนหลังบุคคลผู้ได้นามว่าเป็นมุนีนั้นจึงต้องเป็นผู้เว้นบาปทำความดีมีความฉลาดมีจริตอัธยาศัยอันงามไม่ติดข้องในลาบสการะและชื่อเสียง พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารพวกเดรถีมีเรื่องย่อดังนี้เดรถีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกนี้เมื่อชาวบ้านให้อาหารบริโภคแล้วก็อนุโมทนากล่าวมงคลเป็นต้นว่าความเกษมจงมีแก่ท่านความสุขจงมีแก่ท่านขอท่านจงมีอายุยืน ที่โน้นมีเปลือกตมที่โน้นมีหนาไม่ควรไปในปฐมโพธิการวงเล็บ15้าปีแรกหลังการตัดสรุของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังไม่ได้อนุญาตวิธีอนุโมทนาภิกษุทั้งหลายเมื่อฉันอาหารของชาวบ้านแล้วไม่อนุโมทนาหรืออวยพรใดๆลุกขึ้นไปเสยเฉยๆพวกมนุษย์พากันติว่า พวกเราได้ฟังมงคลจากพวกเดรธีแต่ภิกษุทั้งหลายนิ่งเฉยแล้วหลีกไปเมื่อฉันเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายได้ทราบคำติเตียนแล้วจึงทูลให้พระาศาสดาทรงทราบพระาศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ทําการอนุโมทนาในโรงอาหารเป็นต้นตามอัธยาศัยและอนุญาตให้กล่าวอุปนิสิณ น, นกถาได้ ปณิสินกถาคือชวนสนทนาปราศัยแก่ผู้เข้ามาหาเพื่อความคุ้นเคยสนิทสนมและให้เขาร่าเริงในธรรมภิกษุทั้งหลายได้ทำอนุโมทนาให้มนุษย์ทั้งหลายมีความอุดสาหะในการทำความดีละความชั่วเขาทั้งหลายมีความอุดสาหะแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มากขึ้นทำสการะด้วยความนับถือพวกเดรธีติเตียนว่าพวกสาวกของพระสมณะโคดม เที่ยวกล่าวคาถามากมายในที่ทั้งหลายมีโรงอาหารเป็นต้นส่วนพวกเราเป็นมุนีจึงนิ่งอยู่พระศาสดาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งเพราะคนบางพวกนิ่งเพราะไม่รู้บางพวกไม่พูดเพราะไม่กล้าบางพวกไม่พูดเพราะตรณีว่าคนพวกอื่นจะรู้เนื้อความอันดียิ่งนี้ของเรา เพราะฉะนั้นคนจะชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งหาไม่ได้แต่เป็นมุนีเพราะสงบบาปเสียได้ดังนี้แล้วตัดพระคาถ า, าซึ่งได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่าณนะโมเนณมุนิโหติเป็นอาธิมีนยะดังพรนามาแล้วแต่ตนอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนีเราก็ได้ทมให้เรารู้ว่า ลักษณะของการอนุโมทนาเนี่ยเดิมทีเดียวของเราไม่มีพวกเดรัจฉีก็ทํากันจบไปแล้วอายุวณาสุขภะละในเดรัจฉีเขาก็ก็ให้มาแล้วให้พ่อนมาแล้วซึ่งมันเป็นการเนี่ยกล่าวคำํำให้เกิดความเจริญใจเจริญจิตเนี่ยแต่พอพระองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวคําอนุโมทนาเนี่ยทางนี้กับกล่าวเป็นข้อปฏิบัติ สอนธรรมะสั้นๆว่าไงเถอะเนี่นดยด้วยเหตุด้วยผลเน่ยบอกว่าถ้าต้องการความสุขท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยสอนเป็นในแง่ของคติธรรมเนี่ยสอนให้ละบาปบปําเพ็ญบุญเนี่ยแล้วสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการก็จะได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยในสิ่งที่ท่านทําไว้เนี่ยการเป็นมุนีจริงๆเนี่ยก็ ไม่ได้หมายก็ว่านั่งนิ่งเฉยๆนี่พวกคู่แข่งก็คือพวกเดรัจฉีพวกแข่งมาตลอดนี่เนี่ยหาเรื่องอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเรื่องราบสการะนั่นเองเนี่ยเพราะว่านี่การปฏิบัติของเขาเน่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลดละลาบสการะหรือลโลภโกรธหลงเนี่ยยังมีอยู่ยแต่เน้นในการาาให้เขาได้ยกย่องสรรเสริญเนี่ย อาจจะมีอยู่บ้างบางพวกที่ตั้งใจเพราะความหลุดพ้นจริงๆเนี่ยแต่เมื่อในลาบสการะมันถดถอยไปจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระเจ้าตัสสรูแล้วเนี่ยลาบสการะของเขาเ้นเสื่อมถอยไปมากเนี่ยฉะนั้นเขาจึงวางแผนใหม่เนี่ยเพื่อจ ะ, อะแย่งชิงเอาอบริษัทรือว่าลาบสการะนั้นคืนมา อาาพุทธศาสนามาเกิดขึ้นแล้วก็มีอุปสรรคหลายเรื่องหลายอย่างเ่ถ้าเราดูพระพุทธเจ้านี่ก็จะเห็นว่าเลยว่าก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดนแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเผยแผ่ธรรมะนพวกที่เขาไม่ชอบก็คือพวกที่เสียประโยชน์เนเขาก็หาวิธีกันแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างนก็มีมาโดยตลอดเนี่ยแต่ว่าในาศาสนาของเรานก็สอนให้ลดละ แม้ก็จะมีความคิดอะไรกับเราก็ตามเนี่ยก็ยังถือหลักเมตตาธรรมเนี่ยเมตตากรุณาต่อเขาอยู่เสมอเนี่ยไม่คิดปฏิสลายนั่นคือเป็นหลักที่พระเาองค์ส่งสอนเอาไว้เนี่ยด้ยปฏิปทาในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราศึกษานำมาปฏิบัติโอยมีความละเอียดมีความสุขว่าการอยู่ร่วมกันแม้นคนที่ชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้าง แต่เราก็ใช้ความดีใส่กับเขาอยู่ตลอดเวลาสู้กับเขาตลอดเวลาเนี่ยเราจะได้พิสูจน์ว่าความดีได้ชนะความชั่วได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมีใครเชื่อ 100% เหรือเปล่าเนี่ยแต่จะมาเชื่อนะเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาหลายเรื่องแล้วเนี่ยคือเป็นความจริงแต่บางครั้งมันต้องทนหน่อยนะบางทีใช้เวลานา น, านมากถ้าเราคิดว่าจะเอาเร็ว วันนี้พรุ่งนี้หรืออาทิตย์นี้เนี่ยเราอาจจะผิดหวังก็ได้เนี่ยเราอาจจะเอาชนะเขาไม่ได้เอาชนะความชั่วไม่ได้เนี่ยความดีบางอย่างนีหรือความชั่วบางอย่างนี้ต้องชนะด้วยความดีต้องใช้ความอด ท, ทนนานมากเนี่ยเคยต่อสู้มาเป็นสามปีเลยสามปถีถึงชนะได้ก็มีเนี่ยบางทีหลายกว่าสามปีก็มีเนี่ยชนะได้ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเนี่ย บางที่บางแห่งโอ้ยต่อสู้กับภาษาญาติโยมไม่เข้าใจเนี่ยสู้กันเป็น10บสปีเลยเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะชนะได้เนี่ยต้องอดต้องทนมากเลยนะเนี่ยแต่ในความดีเนี่ยถ้าเราเข้าใจในความหมายของความดีจริงๆริงนะเราจะต้องอดทนอดทนเชื่อมั่นในความดีต้องทนมันไม่ได้เห็นผลในวันนี้ก็ต้องทําดีต่อไปเนี่ยไม่เห็นผลในปีนี้ทำดีต่อไปผีหน้าหลายปีก็ทําันั่นก็คือคนหนัก หนักแน่นในความดีเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มีความเจริญแน่นอนเนี่ยในเรื่องนี้พระองค์ทรงยกย่องพระนาระกะแต่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะภาษาวกลุกหนึ่งชื่อนาระกะเพราะท่านไม่ไม่ได้เด่นเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงมากนะเพราะการปฏิบัติของท่านเนี่ยแต่ มีบันทึกเอาไว้เพียงข้อปฏิบัติของท่านว่าโมเดยะปฏิบัติเนี่ยโมเดยะปฏิบัติก็คือการปฏิบัติกายวาจาและใจอย่างเคร่งคัดเลยถ้าจะถือเป็นธุดงก็เรียกว่าอย่างอุกฤษเลยมีท่านองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้แล้วเลิศกว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยวิธีการปฏิบัติของท่านก็คือท่านไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นแต่พักอยู่ที่นี่ที่หนึ่ง สันอาหารอยู่บ้านหลังนี้หลังหนึ่งวันนั้นก็จบไม่วนมาอีกเลยเนี่ยแล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งเปลี่ยนสถานที่ไปพักอีกที่หนึ่งเนี่ยจนหมดอายุไขของท่านจนท่านนิพพานเลยนะนี่มันจึงทำได้ยากไงรับอาหารเรือนหลังนี้ไม่กลับมารับซ้ำสองอีกจนตลอดชีวิตเนี่ยพักอยู่ในที่นี้อีกก็ไม่กลับมาอีกไปเรื่อย ทุกวันก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยคือไม่ติดที่ไม่มีติดราบติดญาติโยมไม่มีเนี่ยปฏิปทาเนี่ยังเป็นปฏิปทาที่ยากตอนีว่าพระนาร ก, กะนี่เป็นผู้เลิศในด้านโมเนยะปฏิบัติเนี่ยถึงเป็นผู้เลิศทุนึงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรม ไอ้ยังธรรมกถาสาทายสมันเตหิสันลักเฮตั a ปาติ